โยมตั้งใจฟังคือกันพวกเฮามันต้องมีจิตใจหนักแน่นการงานซึ่งทุกอย่างถ้าหากเขาบ่ามีจิตใจหนักแน่นการงานกันบบ่ดืรับวกเปลาหน้าถ้าหากว่าจิตใจหนักแน่นหรือมีผมพอใจชอบใจหรือรักในงานอันนั้นทํางานอันนั้น โมเมื่อยครับโมเมื่ยทำได้อยู่ตลอดเวลาทั้งกลางวันกลางคืนตอนเช้าตอนเย็นเพรขาพอใจในการงานของเขาจว่าโมเมื่ยโบทุกถ้าหากเขาโบพอใจแล้วทีการงานนั้นบเก้าหนะ้าเขาไปทำกับเมื่อย พ่อหอบโได้รักงานนั้นโบอใจในงานนื่นเอเมื่อคมหน็ดเหนื่อยเมื่อลามีแล้วบทสำลิกงานด น, นั้นคนเรามันต้องมีความรักและความขอใจในการงานของเราจริงๆที่ทำก้อนเท่จะทำได้ก็ต้องมีการฝึกหัดดัดนิสัย คนเรามันต้องมีการฝึกถ้าโบกฝึกขัดดัดนิสัยแล้วมันเป็นสันดานเดิมสันดานเดิมนั่นมันมีอยู่เมื่อทุกคนโบว่ า, วาสัตว์เดรัจฉานหรือสัตว์มนุษย์ ม, มักชอบเป็นคนที่เกียดเกลียดค้านทำงานน้อยเล่นมาก นอนมากั น, นเป็นสันดาณของคนเกียจค้านเป็นสันดาณของสัตว์ถ้าหากคนใดรักการรั ก, การางานเยอกินน้อยนอนน้อ ย, อยพูดน้อยการงานที่เราทำมากั น, นันเรียกว่าดัดแต้มิดหน่ใครเกิดเมืดอทุกคนครับบุญว่าหญิงบว่าตาย วัพระทรงองค์เนมครับเป็นองค์นิสัยถ้าหากเขาได้อยู่ดีกินดีนอนดีสบายใจทุกมันทุกใจกิเลสมันไม่เป็นทุกใจสติปัญญาเ น, นี่นยยานั้นเขาไม่จรงว่าอยู่ด้วยทุกกินด้วยทุกนั่งนอนด้วยทุก พอเห็นทุนั่นเองเมื่อเขาเห็นทุกขรู้ทุกเข้าใจทุกแล้วเขาจีพยามปลดเปือ้อนตัวเขาออกจากทุกข์จริงๆทุกข์นั้นเขาเข้าไปยึดมันเข้าไปถือมันแบกหากอยู่มันก็เลยทุกข์ครับถ้าหาเขาโบกไปยึดโบกไปถือมันบแบกโาามหัก ปงมันม ok ทิ้งกลุมชกบกเกิดขึ้นมาทีเมื่อวานนี้ ม, มีผ oh. ู้อำนวยการพคอมอคาราชารสืบอบูให้จังเขาจะให้ลูกน้องขาเจ้ามาแล้วต่อค้างขาเจ้าได้อ่านหนังสือของพวกเขาเนี่ยขาเจ้ามีข้อส่งส่เรื่องการเจริญสติ กับทำสมาธินี่พวกของกรจจมณ์แล้มันดีครับอันนี้เป็นการคูดตอบปัญหาของคนจะแก้ปัญหาของคนตัวเจริญสติเจริญสมาธิหรือทาสมาธินั้นบต้องทำาครับแต่บวชเคลื่อนไวหวให้มันหูมืออันหูมือนั่นแหละครับเป็นสติเป็นสมาธิ คนห่อคันเพื่อนไหวบุู้มือที่ไปทําสมาธิอยู่เท่าไรกับบุมีสมาธิที่ไปนั่งภาวนาอยู่เท่าไรไกับตั้งใจบุญสติเพราะมันบุคลมือโตเลยด็าภาษาธรรมะคนเรียกว่าโมหะภาษาบ้านเขาเรียกว่าหลกตัวลืมตัวบวกกำหนดตัวเองดังนั้นคนมันจึงทําไปตามใจสอบ มักจากเหตดแต่ละเหตุไปเนี่ยค่ะว่าคนบ่มีสติถึงจะเป็นมีสติกว่าต่างคนบ่มีมารยาทบ้านผมบ่มีสติบ่มีมารยาทคนมีสติมีมารยาตต้องรู้สึกตัวการทําการพูดการคิดการนั่งการนอนการยืนการเดินว่ามีสติ รู้สึกรู้สึกตัวยู่ถึงมันเป็นเรื่องขสตินังนั้นการทําการพูดนั้นจึงบุคคลผ่านผิดจะมีความรักตัวเองอยู่เสมอชอบในการงานของเขาชอบกิริยามารยาทของเขาเพราะเขาฟุ้งซ่นแล้คนจึงมันบุคคลสอบตุกตัวเองก็ตา้ามิตรใสตัวเองเมื่อไปทําการทํางานสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้น เกิดบุกห่อใจมีความทุกข์ความเซ็งคน ว, ว่าสมัยนี้ว่าความเซ็งบ้านผมนอมมีความทุกข์ความเดือดร้อนสับสวนวุ่น ว, วายเพราะบุฝึกหัดตัวหอกเหตุย่างย่านเต็มเหตุเนยเมยลาโบย่านน่ะมันเมยครับมันเมยเพราะว่างานมันบบแล้วไปจางคือเข้าไปอยู่กับสังคมก็เดือดร้อน เพราะว่าเขาเอาใจใจเขาถ้าหากเขาวางภาระที่มดทํางานเพื่องานซื่ออย่างที่ผมว่าทํางานเพื่องานาไม่ได้ทำงานเพื่อตัวเขาแต่ทางานเพื่องานหรือทําเพื่อตัวเขากระแมนทําเพื่อเพื่อนฝูงประเทศชาตบ้านเมืองกรแมนทําซื่อๆนี่เป็นหน้าที่ของคนมันต้องทํางานพวกคนเพราะมันกินได้คน มันกินมันนอนมันไปหั่นมานี่มันเป็นนาทียังไงหลักฝึกหัดก่อนที่จะเป็นอย่างนี้เราต้องพยายามศึกษาตัวเขาให้มากการศึกษาตัวเข า, นะะนาเนี่ยค่ะเพื่นบอกเพื่อนศึกษาธรรมศาสตร์ด้วยเธรรมศาสตรของมันเป็นอย่างสั้นจกงหยวกการฝึกสติไปทําสติทํำสมาธิทํากรรมาฐานธรศาสต คำกับธรมรมชาติของมันผมได้ทำมาแล้วเรื่องมูนีครับพอสมควรเรื่องพุโทโธธรรมโม阿ะหังพองยุกนับหนึ่งสองสามอาณาปานสติเป็นอยู่ครับสงบอยู่ศึกษาธรมารมชาติแบบนั่งกั้งกูอยู่แต่มันบวกเข้าใจแบบที่ผมจะนำมาเล่าสู่ฝังมอนีนั้นศึกษาธรมารมชาติทำสมาธิกับธรมรมชาติ เป็นการจเจริญสติกับธรรมชาติคือมันเคลื่อนไหวโดยวิเธีการรู้สึกตัวควมรู้สึกตัวนั่นแหละครับเป็นสติเป็นสมาธิเป็นธรรมชาติของม น, นุัยนให้มันเห็นธรรมชาติของม น, นุัย์จริงๆครับโอธรรมชาติของสัตว์ธรรมชาติของคนธรรมชาติของมนุษย์มันเป็นอยังไงเนี่ยมันออกประเห็นระกรดี เมื่อเห็นสิสสภาพการเคลื่อนไหวทุกสิ่งทุกอย่างนี่ น, นะครับมันเป็นรูปมันเป็นนามมันเป็นทุกทุกจึงว่าทนไม่ไหวทนมาเพราะเป็นย่อเป็นสอนว่าทุกคนไม่ไหวมันทนไม่ไหวนังอยู่ซื่อๆโบาราณเขาก็เห็นสภาพธรมรมชาติของมันเป็นังสีเนี่ยเขาก็รู้เลยแบบรู้เลยเมื่อเห็นทุกแล้วบันไดก็เห็นสมุดหลุดรู้เข้าใจ เรื่องสมมติพี่เทวดานี่รู้จริงๆครับมันรู้มาจากธรรมชาติธรรมชาติอยู่ใส่ธรรมชาติรรา ส, สติปัญญาหรือธรรมชาติที่จะทําให้รู้มันมีอยู่ในคนทุกๆคนบรยเวณถ้าทําถาูกครับถ้าทำบุถูกบุบูลุณนี่มันเป็นดังนั้นเม็ดเข้าทุกเม็ดผมาเม็ดเข้าบั้นผมทางภาคกลางอาจจะเม็ดเข้าว จะเป็นเข้าเจ้ากระซังข้าเหนียกระตานถ้าเป็นเข้าอ้วนเข้าติดเป็นข้าวเปลือกครับเอาไปเพาะเอาไปปลูกแตกมดดุกเ็ตออกหน่อมดทุกเ็ตถ้าไปเพาะไปปลูกใส่บนส้มบนหญิงถ้าไปเพาะไปปลูกบนมันแห้งบนมันบม่มีน้ำอาจจีบออกก็ได้รื้อกะนานออกกระได้ถ้าไปปลูกใส่บนเตาไฟบนหัาหนังไฟ ไม่ส้ำครับดังนั้นการฝึกการอบรมท่าทำบูทุกแล้วก็ทํานานครับเสียเวลาถ้าทําทูกแล้วก็ได้ผลดีเมื่อหูวจักสมมุติแล้วก็บโติดสมมุติในแท่กะ็ะยุกับสมมุติครับอันนี้แสดงว่ายุกับการกับงานแสดงว่าทําการทํางานได้ทุกอย่างแต่โบติดโบทุกนั่งงานอันนั้น เพราะเราเข้าใจสมมติอย่างนั้นยังได้มันเป็นหน้าที่ของทุกคนทอย่างฮะสมมุติผีสมมุติเทวดาสมมติเตสสมมติสัตวเดรัจฉานสมมุติอสุรกายสมมุติพระอินท์พระพรมสมมุติมนุษย์สมมุติพระอาเลียเจ้าก็คือกันทุกสมมุติมัดแต่ว่าเป็นปรมัดเพร่อจว่าสมมุติบัญญัติและปรมัดบัญญัติ อัฐบัญญัติอดีญะบัญญัตินี่จากสมมุติบบราณถึงเป็นปรมัจตรย์ก็ยังเอาสมมุติไปว่าแต่ว่าสมมุติอันนึงสมมุติขึ้นซื้อเราซื้อสมมุติผีสมมุติว่าเราซื้อผีจึิงบบเห็นบบมีตัวโบมีตูวคนใดโบมีตาทิพโบเห็นผีทีครับเมื่อหูจักรูปนามนี่มีตาทิพขึ้นมาลงมีตาทิพน้อยเห็นลูกเขาใจโอ้ ตาททปอันนี้มันบม่ได้หมายถึงว่าจะไปเห็นผู้อื่นเห็นตัวเหาเบิ่งตัวเหาสภาพและสภาวะตัวเหาทำดีทำสัวมันเห็นอันนี้สิโอ้นี่ตาทิปมันเห็นอย่างตีหูทิบ่เ น, นี้ฟังการพูดการพูดดีพูดชัวพูดอันใดเหาหูจับรวมไปกั น, นหูทิบ บุญเมตตาที่ไปมองเห็นตับไตไส้ปอดคนนั่นคนนี้บุญเมตตหูที่คนไปนั่งเออเฮานั่งอยู่นี่คนเราอยู่ใกล้คนได้ยินพนกักกรมบบุาตาทิพหูทิพมันออกนอกตัวไปมันนึกเป็นคนลืมตัวไปซะครับพระพุทธเจ้าควรสอนยว่าท่านจงมีสติอยู่ทุกเมื่อเถิดขันเฮามีสติอยู่ทุกเมื่อแล้วจะไปเห็นคนอื่นได้บ่พนกักกรบบไปเห็นคนอื่นไปเห็นตัวเฮาแล้ว นี่เป็นวันนั้นเมื่อผู้จักสมมุติแล้วก็ผู้จักศาสนาโลกศาสนาแปลว่าคำสั่งสอนของฐานผู้ลู่จริงาศาสนามีหลายอย่างเพราะของผู้จักจริงนี่ศาสนาเ น, นี่คนได้ลู่อันไหนก็เอามาสอนตอนใจ้หูคนฮัทคนจะมีการแก้ไขฝึกหัดดัดแปลงเพราะทุกคำสอนมาแล้วเดิแต่งการฟังนั่นเจ้าจีว่า ฟังแล้วก็เบิรงตัวเขาเบิ่งตัวเขาแล้วก็ฟังคําพูดแล้วก็บิรงมู่เบิรงเพื่อนเนีย่ยเป็นกยรสจจะโอ้ธรรมะศาสนานี่โบได้หมายถึงตัวหนังสือโบได้หมายถึงพระพุทธรูปโบได้หมายถึงโบสถ์วิหารอย่างเดียวเด็เดมันหมายถึงคําสอนสอนโตคนโตจริงมันได้แค่คือโตคนนั่นแหละเป็นตัวศาสนา ตัวพุทธศาสนานั้นตัวสติตัวสมาธิตัวปัญญาตระหะดังนั้นศาสนาทีจึงมีศาสนาเทวดาก็มีศาสนาลืกงามยามดีเป็นศาสนาทั้งหมดหมดแล้วศาสนาคิดศาสนาอิสลามศาสนามหามัทธนาวากันสมัยนี้แล้วก็ศาสนาพุทธแต่ความจริงตัวศาสนานี่ยมันทุกสมมุติว่าไปทีสุด ถ้าหากเป็นปรามาตถะคือตัวสติตัวสมาธิตัวปัญญาฝึกหัดดัดไม่ใส่เหาคูกกับธรรมศาสตร์นั่นแหละตัวพุทธศาสนาผมเข้าใจนงที่ครับเมื่อรู้จักศาสนาแล้วก็รู้จักบาปเลยเดียวรู้จักบุญเลยบาปคือยังบาปบาปนั้นทัองที่ทำบุญก็ตัางซางคำสัวฟูสัวคิดสัวเป็นบาปลย บาป ม, ามันอยู่ขุนมือนว่าเหตุเป็นตัวเป็นโตรครับทำบุญกับทำสร้างนี่ครับเนี่ยว่าดึงทำกรรมฐานยก็าตามทำวิปัสสนาอยู่ก็ตามเป็นบาปเป็นบาปเพราะมันทําสั่วพูสัวคิดสั่วอยู่คนหนึ่อันตัวรูปกายอันนี้นะตัวรูปตัวนามมันบูรุษจักไปยังเอาไปเบืองเแ้่คนตายมันจีเนี่ยงจีติงเป็นบ่ เอาเข้าไปให้กินมันกระบอ ก, กินเป็นเห็ดนั้นบางกระบอเป็นทั้งหมดเป็นทอนไม้ทอนปูนเป็นดินซื่อๆนนะครับเป็นอาหารของสัตว์ซือๆตัวจิตวิญญาณของเห็ดบอกบอเห็ดแล้วเจ้เห็นอย่างไรตายแล้วไปใส่หัวจิตวิญญาณบารู้สึกแน่นี่แหละบาปบุญมันผู้จักอยู่ที่ครับเพื่อจะว่ามีตาทิพหูทิพมันอยู่ที่นี่นบุญเป็นไก่จักน้อยที่มืนอหู้จักอันนี้แล้วกับ มุดสงสัยเรื่องพิเรื่องเทวดาเรื่องนรกเรื่องสวรรค์เรื่องเตตกสัตว์เดรัจฉานุจรรคาที่ ม, มุดเท่ๆครับบ่มีทุกข์เพราะสิ่งเหล่านี้ตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายบ่โมสงสัยเลยครับการกระทําอย่างนี้เพราะธรรมชาติมันสอนให้เองรู้จักว่าทุกขสุขรู้จักเองเพราะธรรมชาติมันสอนให้ ดังนั้นศึกษาธรรมะจึงศึกษากับธรรมศาสตร์มาจริงๆนี่นะครับผู้หญิงก็มีธรรมศาสตร์เช่นนั้นผู้ชายก็มีธรรมศาสตร์เช่นนั้นพระสงฆ์องค์แดงก็มีธรรมศาตร์เช่นนั้นคนรวยคนจนก็มีธรรมศาตร์เช่นนั้นคนมันคือกันหมดคนไทยคนจีนคนฝรั่งเศสคนอังกฤษคนอเมริกาคนขมิคนดวนคนลาว คนอินเดียก็มีอางสั้นครับแต่พระพุทธเจ้าเ ป, เป็นคนที่ทำจริงพูดจริงครับเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆไปเรื่อยซึ่งใดมันโบได้ประโยชน์เราทันเปลี่ยนลดเขาได้ยินหมอไปทำกับอาจารย์ได้สมบัติแปดบุญเมือทางหนึ่งก็เปลี่ยนลดนี่ลดออกจากหันมาก็มาทำทุ ก, กข์กับจินญาบกินข้าวบกินน้ำอันนี้ก็บบุเมือทางเปลี่ยนลดคือเท่าไั่่ คนนิสัยคนมันต้องเปลี่ยนแปลงดัดมันทูกนิสัยกับธรรมชาติเป็นสิงจริงจนทำมาทําทางจิตที่ครับเนี่ยทำมาทําทางจิตจิตพาเหตดหรือรูปพาเห็ด เ, เหตุอย่างไรเขาก็เห็นเสียงก็จิตใจที่พาเหตุจิตใจเขาที่พาเหตุมันทําดีทําซั่วบบบนี้ก็ตัวสติปัญญาที่ควบคุมกายวาจาใจเนี่ย เมื่อสติปัญญาสมาธิควบคุมกายวาจาใจแล้วกว็เป็นคนลืมโตแล้วในขณะที่เราลืมโตไปเราเฮ็ดไปซื่อนั้นอันนั้นลืมโตัวได้บางทีเฮ็ดโดยที่บุบิสติปัญญาเฮ็ดไปตามกิเลสเนี่ยกิเลสมันชอบอยู่กับสติปัญญ า, าก็มีด้วยครับอนี่ให้หูจับแบ่งสันวันนากิเลสมันชอบอย่างไงมันก็ไปตามใจมัน มันอยากให้อย่างมันเฮ็ดไปนะเขาอึดกิเลสกิเลสนั่นจึงว่ามันทุกเมื่อมีคนตําหนิแล้วปุ๊บยึดถือคอนโรดในกิเลสคนนีบันดนี้สติปัญญาได้สติปัญญาในบุหัวตาเขารู้จักสมมุติแล้วเรารู้จักวิธีทำทุกเงีทุกมุมแล้วนี่เพณหวาดรู้จักแล้วไปใส่กับตาทํา ง, งานได้ทุกอย่างธรรมะ แต่เขาว่าให้ระวังแต่ว่าผมรู้นั่นหมายถึง ท, ทำผิดด้วยสทำคู่ถ้าทําผิดแล้วบ่มีโอกาสบ่มีเวลา<ม>คือเม็ดข้าวนเนี่ยเขาเอาไปเพาะใส่ไปปู๊ใส่เตาไฟแล้วบ่มีเวลาสีได้ป่งงายบางทีไฟไหม้ซ้ำํำอันนี้คืกันจะทำให้เป็นนานก็ตายซ้ํากันนี้ครับบ่มีโอกาสถ้าไปเพาะใส่บนซุ้มบนเย็นได้เม็ดข้าวจะบนหนานแตกดอ ก, กออกผลมาลูกจริง คนเ้าคือกันถ้าฝึกหัดดัดนิสัยดีๆแล้วอยู่กับผู้ที่สละผู้รู้จริงๆเนี่ยแล้วก็ได้ประโยชน์จริงๆไปใส่กับชีวิตได้จริงๆนังนงต้องหลักการหลักงานหลักคำพูดหลักหน้าที่ของเราทำงานจริงโบอิฐโ บ, บมือคนใดโบรักการโบรักงานแล้วก็มือ ทำในน้อกก ว, ว่าทาร้ายเป็นนอย่างว่าวัตะสงสารยืดเยานานเป็นว่าคนธรรมดาเขาที่ว่าตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายหมดแดงแตขบดงบ้านขบเป็นว่าอินวัฏะสงสารคือหมดแดงตขบดง้งบมีถังออกวนเวียนอยู่อันนั้นเป็นวัตฐะสงสารของคนบุรุ วัฏฏะสรงสารแบบพระเจ้านี้บุญเป็นไรหมายถึงควมคิดนิรุนแรงมันคิดเรืองสั้นตลอดเวลาครับเนี่ยมันบุญเป็นตายเนาเข้าลงไปคุณเนี่อันนี้วัฏฏะสงสารตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายอยู่นะมันคิดนั่นเนี่ยครับมันเกิดมันตายนีวัฏฏะสงสารในทางผู้มีปัญญา คันผู้บุบีปัญญาเนี่ยนว่าตายเนาเข้าโรงมาคุณแล้วตายแล้วบอกเกิดอิตรึมตายแล้วไปตกนรกไปสวรรวค์นะครับไปมาเกิด อ, อิตรึเนี่ยอันนั้นเป็นวัฏฏะสงสารคนที่บุมีปัญญานะั่นวัฏฏะสงสารคนมีปัญญากรหม่เถึงผมคิดมันจะบอกปุ๊บเห็นภาบอืมมันเป็นอย่าง น, นี้จริงจรงวัฏฏะสงสารม่ต้องตามกันบัดนี้ วัฏสงสารที่มันทําให้เราเหน็ดเหนื่อยเมื่อยลาเนี่ยแบบนี้สมมุติกลางคืนเป็นเจ็บใครได้ป่วยหรือเป็นอยากจำสร้างนอนบ่หลับโอ้ยนนหนานห้องนานแจ้งแทนนอตเนอยากให้ห้อให้แจ้งเนี่ยสาหรับคนนอนบ่หลับตรงกลางคืนมันก็คือเสวนาเลยเพรพะมันนอนบ่หลับเลยครับมันหนานห้องนานแจ้ง เมื่อยพิกเรียนนันเรียบนี่บุกหงมวยังจังจกเถื่อโอ้ยปัญหาเีวกับหงนอปะวะมันเป็ น, นบัด น, นี้ผู้ใดนอนหลับอยู่นคนนอนหลับแพดเดียวหงลดตื่นนึ่งสองตื้นนั่นหงแลกโอ้ยคื ง, งาเอนเทน้อปว่านี้มันจึงผิดกันน้่นคุณไมนจิว่าทงานมันผิดกันมันนนมนนน่เดียปัญหาเอื้นวัะสงสารทั้งมื่อรัลผู้นอนบวหลับ น, น, น, น, น, นิ่นนานหงนันแจ้ง คนนอนหลับดียู่ดีกินดีนั่นน่ะหงายเปไหนกันบันบนี้สำรับทางเขาเดินไปไกลๆห้าห้ากว่าเขาโบมือไงโบอิดพูดไปคุยกันไปโอ้ยหอนงายแตบเดี๋ยวหววยอนตรงทางมือหนึ่งคือกันสิบสองชั่วโมงคือกันคนใดที่ไปแบกไปหาบมือไอ้สิโอ้ยนานพอเทนอ่ะว่าวะ แท้ความจริงค่ากันทาคนที่เมื่อยเดินไปเพื่นกับหอดเท่ากันคนที่บบเมื่อยเดินไป่อนแท้ว่าูพูดไปยึดไปถือนั้นเป็นว่าทางยาวไกลเพราะคนเดินทางเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าเป็นว่าถ้าหากเขาบบเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าไปโดยความสบายพูดไปคุยไปรู้สึกตัวไปยู่กับการกระทําของเขาไป เดี่ยวพอโหลสิบสองชั่วโมงนี่พุ๊ดเดียวเท่านั้นครับจะนั้นจีวาให้หลักการงานของเขาทุกอย่างอันท้าของหลักการหลักนาของเราเดียวโมงี้ยินดีเหนือนอ่อยเหนื่อยลธทำเพื่อคนสนุกดังนั้นธรรมธรรมสอนของพระโยนสอนคนทุกสันทุกไลทุกศาส ท, ทุกภาษ า, ท, ท, ษา ท, ทุกเพศจะเป็นเพศจริงก็ได้เพศ้ายก็ได้ เป็นเพศใดๆมดโมจิจำกัดสั้นวันนาดีชั่วนี่อยู่กับบุคคลผู้ที่ทำเท่านั้นเรื่อบวกกำหนดเสื้อซาสตะคุนงั้นมันอยู่กับคนซื้อนี่เด้อโบเซว่าเสื้อซาสของพมระเจ้าอยู่ในประเทศอินเดียคุณจึงจะรู้บบนี่คนไทยก็รู้คนจีนก็รู้วอลังเซสก็รู้อังกฤษก็รู้ อเมริกาคนรู้เยนแมนคนรู้คนยวนคนลาวคนคามรคนใดเรารู้มดเพราะว่าธรรมะอันนี้มันอยู่กับคนทําให้ทุกขสุขมันอยู่กับคนตัางแต่ว่าคนนั้นมีสติปัญญาต่างกันเรื่องทรงตามดำขาวต่างกันแต่ว่าเรื่องธรรมะนั้นแท้ต่างกันจากน้อยเนี่ยครับถ้ารู้ก็รู้อันเดียวนั่นมด ยกพระพุทธเจ้าคนกระรูดธรรมะอันนี้สาวกของพระพุทธเจ้ากระรูดธรรมะแบบนี้คนรู้เดียวนี้กระรูดธรรมะแบบนี้เพื่อจะมาพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ต้องเคารพพระธรรมเหกันเคารพพระธรรมนั่นหมายถึงไปกราบไปไหว้อยู่บ่วันน้กราบเป็นไหว้อย่างหรอกเคารพพระธรรมก็หมายถึงการยู่กับการกระทำนั่นแหละบ่ทำผิดบ่พูดผิดนั่นแหละเพื่อนเคารพพระธรรม เขาลบเหมือนไว้เขารบตัวของเฮานี่แหละทําดีพูดดีคิดดีอย่าให้ทุกข์เกิดขึ้นเพื่อน้องเขาลบว่าไม่ไปกล้าไปไหวอยู่นั่นอันจะกล้บไปไหวนัน้นมันเรื่องนึงเป็นว่างายเป็นวัตถุภายนอกคนมองเห็นตัวเขารบพระธรรมจริงๆนั่นคือตัวของเหตุตัวเหนวเานี่บอให้มันพบกเกิดขึ้นนี่นี่เ ป, นนก เ, กนนเป็นอย่างทุกข์เกิดขึ้นันเป็นยัง โยกก็ยังวาน่มันพ๊ดเพราะยอนศึกษากับธรมรมชาติของมันจริงๆธรมรมชาติมันสร้างให้แล้วยังโม้ขึนนั่งฟังวาทีนี้ถามนี่ตอบให้ฟังเลยป็นยังไงจิตใจของโมคุดีนี้เคยเออยู่ผู้ดใดเป็นยังไงคือโมนั่เป็นสนจิตใจเคยเจออยู่ไปให้ยังไงให้มันนี่แหละ เขาธรรมศาสตรมันสร้างให้จริงๆแล้วทําการทํางานจะได้บวกมันเฟ้ยๆยังเสียแล้วกินจีบเมื่อยบ่แน่เรื่องอย่างบริจากเห็ดยังบริจาคศึกษาเป็นอย่างเพราะเขาบอกเข้าใจเขาบอกเข้าใจเมื่อเขาบอกเข้าใจแล้วกันเลยเกิดขวดบมรูขึ้นมาของน้อยๆเนาะคําสอนของพระเจ้าน่สอนน้อยๆ รูรูแล้วก็ของสบายสบายลูหลูของสั้นสันนส้นอึดใจเดียวทำได้เลยจังหวะวัตตะสงสารยืนยาว น, นานเพราะว่าคนโบรู้วัตตะสงสารเป็นตัวนอนโมนลับมาไปยาวไปบนนี้ทางยาวๆบนนี้คิดมีแกมื่อย มันกันนานพอดนานถือวันนี้ถ้าหาวทำเมืองเซียอยู่เลยโบยหาวโบสั้นมโบยืนบนนั้นมันเซเซอร์อยู่นี่หลักษณะนานี่แหละพระพุเจ้าเป็นวัคศึกษาวัสุสรู้แล้วก็ต้องสอนกันคนนี้พุทธศาสนาคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นจะเจริญงอกงามขึ้นไปก็กต้องอาศัยบริสัทธิทนและ ประพฤติดีปฏิบัติชอบตามพระธรรมวินัยตามคำสอนของพระเจ้าหนึ่งอยู่ก็ต้องจเจริญมัน่นคงถาวรไปบัดนี้ในทางตรงกันข้ามคำสอนของพระเจ้านั้นนะจะเสื่อมจะอันตรธานหายไปนั่นก็เพราะว่าบริษัทที่เนี่ยบูรพพฤติดีบูปฏิบัติชอบบูบยู่กับพระธรรมวินัย โมปฏิบัติตามคำสอนของครูเจ้านั้นจีบหายไปอาศัยบริษัทซีบริษัทสซี่นเป็นพระภิกษุอีกษุเนสุบาสุอุบาสิก า, าบันนี้ผมมาว่าพูดอยวบ่บริษัทซีนี่ก็คือภิกษุกับอุบาสกเหมือนผู้เดียวกันนี่บริษัทซีอันนี้อุบาสกกับผู้ใายเนี่ เฮตูนีมันอย่ก็ผู้หญิงอุปสิกาเมือแบบนไ้มบริษัทสองอันนี้ถ้าหากพูดในชั้นกันอันบริษัทที่นั้นหวาแบบผมหวานี่คืออัติภิษฐ์หักผมเข้าใจว่าผูกคําสอนของพระพุทธเจ้านั้นนะอาจใส่ขนจะเป็นผู้หญิงกต่สร้างผู้ชายแต่ตามบริษัทหนึ่งนั้นโบหูโบหูจักของจริงในคําสอนของพระพุทธเจ้านั้นแต่หากไปเทศไปสอน สอนคนคั่วไปให้เลยไปสอนไปให้เฮ็ุอย่างนั้นทําอย่างนี้เก็บตัวเองบูฮู้จักจุดหม่ไปทางคนนี้แหละทําให้มันจิ้บหายครับบูฮู้หักไปสอนนี่ครับเป็นอย่างบริษัทนี้บริษัทที่สองแบบ น, นี้หูทำมาไต่หากบูสอนคนหลบลีกไปอยู่ผู้นึ่งผู้เดียวเนี่ย บริษัทนี้ก็บวทําให้จเจริญและบวทําให้เสื่อมจเจริญได้เฉพาะตัวเราเพืเดียวเพราะเราบุญผูกอันตรายไป่คนอืนที่คือบวชเจริญคำสอนขอพระเจ้าบวชเจริญบริษัทที่สามบนนัญญัติโบหูบวสอนเฉยคนว่าซื่อๆอยู่ขนาดนึนงพระหากเป็นอย่างกันอยูกอย่กินไปสนธนะบวชเป็นพเป็นอย่างกั ก, กินไปสนธนะ เรื่องการทำบุญให้ฐานนั่นนะก็จะเจวะทำบุญให้เลือกวัดจับบาสให้เลือกพระอันนี้ทัๆๆ่วทั่วผู้แก่บ้านผมสอนที่เป็นเลือกแล้วย่างไดของเหตุย่างไดเขาจงหููจักบุหูจัมบุหู้จั ก, จกพอแมอ่สอนเราทำบุญให้เลือกวัดจับบาสให้เลือกพระเนี่ยบุหูจักเลมีวัดแล้วก็ทำบุญไปโลดพระแล้วก็เห็นก็ทำบุญไปโลดผมบุหูจักเลือ